หนาวเกินไปก็โทษอุณหภูมิรอ้อนเกินไปก็โทษอุณหภูมิทำไมไม่โทษเนี่ยถ้าฉันไม่เกิดนัฉันไม่ต้องมารับร้อนเผาอะไรแบบนี้หรอกอาจารย์ครับแล้วท่านพิจารณามาให้รับพิบัติแบบนี้เลยเหตุเป็นยังไงผมมันคือผลผลคืออกุศลวิบากใช่ไหมเออ่เหตุก็ก็มาจากอากุศล12บสองเนไนว่าโดยรวมๆนี่มาจากอากุศล12 ทีนี้อากุศล12เนี่ยรู้อารมณ์ได้กี่อารมณ์โดยอารมณ์รู้6อารมณ์ล่วงมาทั้งกายกรรมวิจีกรรมและมนโนกรรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้น เ, เหตุเหล่านี้เป็นปัจจัยให้นเนี่ยนะ อ, นอย่างนี้ก็โสตะวิญญาณที่เป็นอากุศลนิบากนี่นะ คือเอางี้นะกรรมที่ล่วงกรรมบทให้สามารถให้ผลทั้งปฏิสนธิการและประวัติการทั้งทั้งสองการเลยนะถ้าไม่ครบกรรมบทให้ผลเฉพาะในประวัติการเจเพราะฉนั้นอย่างวิบากที่เรารับอยู่นี่นะทวารตาทวารหูจมูกลิ่นกายเนี่ยเราจะบอกว่าล่วงกรรมบทมาหรือไม่เราไม่สามารถจะบอกได้ละเอียดขนาดนั้นแต่บอกได้ว่าเป็นผลของ เหตุในอดีตที่ทําไว้ไม่ดีกลุ่มไหนถ้ากลุ่มกลุ่มอะไรที่มันประเภทรบกวนเหตุตรงตรงก็คือคือรบกวนคนอื่นเอาไว้นั่นเองเนี่ยนะเคยไปไปรบกวนคนอื่นเอาไว้กรรมประเภทนะั้นแหละเป็นปจัจจัยเนี่นะขอมานี่เคยรบกวนหลวงพ่อคนหนึ่งไว้จําได้เลยหลวงพ่อเขานั่งสมาธิอย่างนี้นเราหลวงพ่อท่านปกติท่านด่าเก่ง คือที่ที่ที่ยกว่าท่านด่าเก่งเนี่ยจะบอกว่าที่มาไปแกล้งท่านเนี่ยเราไม่ผิดอะนะแต่ที่จริงมันไม่พ้นหรอกแล้วก็ไม่ดีที น, นี้แล้วก็จุดประทัดเอ๊ะจะจุดประทัดยังไงไมาให้หลวงพ่อได้ยิน mm. คือไม่ให้หลวงพ่อรู้ว่าเราเป็นคนจุดแล้วก็ไอชวันะที่มันสะสมสร้างเหตุไม่ดีมามันก็ฉลาดคิดขึ้นมาเลยเราก็เอาทูบมาจุดสิแล้วก็มัดไอประทัดเอาไว้กับทูบ แล้วก็ไปปักทิ้งไว้อ่ะนะเราก็ไปที่อื่นแนละ้อีกครึ่งชั่วโมงมันประเบิดอย่างเงี้ยนะหลวงพ่อก็จะไม่เห็นเราหรอกไม่เร็จเราเลยอนะหลวงพ่อนั่งอยู่ก็ประทัดมันก็ระเบิดขึ้นมานะเราก็ไปอยู่ไกลแล้วไม่เห็นนี่นะละหลวงพ่อก็รีบลงมาใหญ่ว่าเด็กคนไหนมาจุดด้วยแถวนี้แล้วก็หัวเราะคๆสนุกมากแต่ว่าหลังจากนั้นนะไปที่ไหนก็จะถูกรบกวนอย่างนี้ตลอด <c oughs> อ๋อไม่ใช่ชวนานะเป็นจิตที่รับอารมณ์ต่อใกล้ๆนั่นเองอือสัมปเจชนะกับสันติรณะคนละดวงกันเนี่ยนะคือตัวนี้เนี่ยคำว่าสันติรณะตรงนี้เรียกตามกิตจิตตรงนี้นะจิตตรงนี้ถ้าชื่อตามจิตเขาจริงๆเขาเชื่อว่าอะเหตุกะ วิบากขอไปอเฮตุกะมโนวิญญาณแล้วก็วิบากอีกศัพท์หนึ่งอันนเอเหต อ, อเฮตุกะวิบากมโนวิญญาณธาตุใช่ขไปมโนวิญญาณธาตุเนี่ยชื่อเต็มกขเป็นนี้เ อ, อเฮตุกะวิบากมโนวิญญาณธาตุหรือวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากและเป็นเอเฮตุกะ อันนี้ชื่อของเขานะแต่เรามาเรียกว่าสันติรณะเรียกตามกิจนี่นะเรียกตามกิจเฉพาะทำกิจนี้จึงเรียกว่าสันติรณะแต่จิตดวงเดียวกันถ้าทำไปทำกิจอย่างอื่นก็เรียกชื่อเช่นถ้าไปทำปฏิสนธิก็เรียกว่าปฏิสนธิอย่าไปคิดว่าจิตนั้นคือจิตดวงเดียวกันแต่เป็นจิตชนิดเดียวกันใช้คำว่าชนิดดีกว่า ประเภทเดียวกัน <tang> ค <ar> ือองค์ประกอบเหมือนกันที่เหมือนกันคือ1เป็นอเหตุกกะเหมือนกัน2เป็นวิบากเหมือนกันเป็นมโนวิญญาณธาตุเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่อันเดียวกันคนะอันเลยนะก็เกิดของแก่แต่ละคนก็ถือว่าคนะอันกันไปอะไรกันไปคนะปัจจัยเลยและคนะอารมณ์ด้วยคนะการคนละสถานที่แต่มันเหมือนกัน3อย่างด้วยเหตุผลคือ1นึอเหตุกะเหมือนกัน2วิบากเหมือนกันส มโนววญญาณธาตุเหมือนกันออเชื่อนั้นก็เรียกตามกิจในเรียกตามกิจคำว่าสันติระอะนนั้นบอกอยู่แล้วว่ากิจคำว่าสันติระณะนะเป็นกิจ S <S <ess iz hi> อ๋อนั่นเรียกว่าจิตถ้าถ้าตามอภิธรรมัตสังกะหะเรียกจิตดวงนี้ว่าอุเบกขาสันติรณะนะถ้าเรียกตามอัตกถาหรือเรียกตามพระไตรปิฎกอัตกถาจะเรียกว่าอุเบกขาเอ่ยขอไป อ, อเหตุกะวิบากมโนวิญญาณธาตุอันนั้นเรียกชื่อตามพระไตรปิฎกอัตกถาแต่นี้ตามอภิธรรมัตสังกะหะเรียกตามจิตมาเป็นอันดับแรกคือ เมื่อกล่าวถึงกิจมันไม่ใช่ทําเฉพาะสันตีระกิจเท่านั้นนะยังทากิจอีกสี่กิจคือปฏิสนธิพวังจุติและตถาลมมณะบวกกับกิจที่ที่กำลังพูดถึงหนึ่งเป็นห้ากิจเจนิญพรเจรินพร้ก็มันถ้าผู้ที่ศึกษา เหล่านี้แล้วเพื่อที่จะเจริญจิตตาโนปัสสนาด้วยนะก็หมั่นมาฝึกคิดอันนี้นะก่อนที่จะเข้าใจจิตอันนี้หนึ่งทวารกับอารมณ์เพราะจิตเหล่านี้เรียกตามทวารเห็นไหมจากครูวิญญาณก็เรียกตามทวารโสตาคานาชิวหากายะวิญญาณก็เรียกตามทวานนั่นเองก็หมั่นมาพิจารณาแต่ว่ากลุ่มปัจจัยถ้าจะพิจารณาโดยปัจจัยนะมีอยู่กี่กลุ่ม กลมที่หนึ่งนะคือวัตถุหรือทวารอันนี้องค์ประกอบในการพิจารณานะสองอารมณ์ส ม, มนสิการเป็นตัวปัจจัยนะปรตูปร ะ, ต, ประตูปนิสยะปัจจัยเดี๋ยวทางท่านเขาบอกว่าพูดภาษาไทยไม่ชัดั ง, ง, นงนึกว่าเปิดประตูไม่ใช่นะ ปรตูปะนิสยะปัจจนะแต่เรามาเรียกย่อซะจนเรียกว่าเปิดประตูไม่ใช่คือประตูปะนิสยะปัจัยแปลว่าเหตุธรรมที่ที่มีกำลังมากเช่นว่าถ้าไม่มีแสงสว่างนะเป็นอุปนิสยัยเป็นประตูปะนิสยะปัจจเนี่ยจะเห็นได้ไั้ยเห็นไม่ได้อย่างนั้นนะคือมันสาคั ญ, ญยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสัมปยุต ธ, ธรรมเช่น จิตชาติวิบากเหล่านี้มีสัมปยุตธรรมอยู่7ใช่ไหมาภาษาเวทนาสัญญาเจตนาจิเอกคตาชีวิตินรีและมณสิการ7อย่างนี้เรียกว่าสัมปยุตธรรมนะข้อ1ทวาร2อารมณ์สามนณสิการ4ปกตูคือประตูปนิสยปัจจัยและหชุดที่5คือสัมปยุตธรรมแล้วยังมีอีกตัวหนึ่ง เมื่อองค์ประกอบพิจารณาอย่างนี้แล้วนะสิ่งที่มักพิจารณาต่อไปก็คือกลุ่มที่หกคือเรื่องกรรมจะดูนะเรื่องกรรมนี่จะอยู่อันดับท้ายๆเลยในการพิจารณาไนหะเนี่ยองค์ประกอบจะอยู่อย่างนี้ทีนี้ถ้าถ้ากรรมอันนี้แล้วสิ่งที่จะพิจารณาต่อจากคำว่ากรรมคืออะไร เช่นกรรมนี่เป็นปัจจัยให้จิตเห็นจิตได้ยินจิตรู้กลิ่นจิตรู้รสเกิดขึ้นเนี่ยที่ไม่ควรลืมคื อ, อขอไปอวิชชาอะไรตัณหาสามตัวแล้วตัวที่เหลือเรียกว่านามรูปนี่ยนะตัวที่เหลือนี่เป็นนามเป็นรูปตัวที่เป็นรูปคือทวาร นะเหตุที่ทำให้วิญญาณเกิดมีอยู่5อย่างใช่มอวิชาสองตันหา 3. มกรรมตรงนี้ยกกรรมมาเป็นอันดับแรกก่อนแล้วยังมีตัวอื่นอื่นอีกคือ น, นามกับรูปทวารเป็นเนี่ยนะทวานนี่เป็นรูปทวิปัญจานี่มีปกตูที่เป็นรูปเนี่ยนะอารมณ์ก็เป็นรูปส่วนที่เหลือเป็นนามหมดเลยนามรูปเป็นปัจจัยจึงมี วิญญาณเ น, นะเพราะฉะนั้นเพราะอาวิชาเกิดวิญญาณจึงเกิดเพราะตันหาเกิดวิญญาณจึงเกิดแล้วก็กรรมเกิดวิญญาณจึงเกิดแต่กรรมที่ทําให้เห็นไม่ดีต้องเป็นอกุศลกรรมเนี่ยนะอกุศลกรรมเป็นเจตนาดวงที่หนึ่งถึงดวงที่7ก็ได้ในชาวนะไหนก็ได้เป็นปัจจัยให้ได้หมดเลยแต่ว่าเราอย่าไปคิดว่าเราจะรู้เท่าพระผู้เจ้าใช่ไหม รู้หมดว่าเจตนาอันนั้นทำเมื่ อ, อไรทำที่ไหนขณะไหนเราตอบไม่สามารถตอบได้ขนาดนั้นนยะยกตัวอย่างเช่นผู้ที่กินบำ น, นาญเนี่ย น, นะสมมติว่าบา น, นาญ น, นะที่กินยาวๆนะบำ น, นาญเนี่ยสมมติว่าเดือนหนึ่งสมมติหนึ่งมืนบาทสมมตินะทำงานมาสมมติ30ปีแล้วได้บา น, นาญเดือนละหนึ่งมืนบาท แล้วตัง้งคำถามว่าหนึ่งบาทมื่นบาทที่คุณรับเดือนนี้ใน30ปีเนียคุณทำงานวันไหนบอกไม่ได้แต่รู้ว่าเป็นผลของงานที่ทำมามา30ปีเนี่ยนะของเราเรารู้จะรู้กว้างๆได้เท่านั้นแต่ถ้าจะรู้ละเอียดยิบว่าเป็นหยาดเหงื่อของตรงนั้นนะเพราะอันนั้นอันนั้นบอกได้ขนาดนั้นก็ก็สักษียสงไขยเศษอีกสักแสนกลับเนี่ยนะแล้วก็ทำบารมีอย่างนั้นไม่เลิกรา ันนก็อาจจะรู้ได้อวิชชาตันหกรรมนามโรคและตัวที่ห้าคืออะไรใช่ไหมต่ตัวที่ห้าคือตัววิญญาณตัวของมันเองคือคือตัวของมันเองที่มันจะเกิดอ่ะตัวของมันจริงๆเลยที่มันเกิดมันเกิดเพราะได้ปัจจัยอ่ะพิจารณาตัวนี้อวิชชาตันหา กรรมนามรูปในฐานะปัจจัยตัวมันเองในฐานะปัจยุบัญเนี่ยนะตัวปัจจยุบันอ่ะเป็นตัวที่นิพพตินิพพติแปลว่าการเกิดขึ้นอ่ะนะตัวมันอ่ะคือตัวที่เกิดขึ้นแต่คนที่จะรอบรู้เรื่องนี้ดีอ่ะนะถ้าจะเอาแบบละเอียดยิบก็ต้องรู้องค์ประกอบขนาดนี้แต่ถ้าแต่ถ้าเราไม่ไม่ต้องการอะไรที่มันมากมายขนาดนั้นนะช่องท่องฉะกสูตรเอาไว้นะอาศัยจากขู่กับรูปเกิด จับขูวิญญาณธรรมะสอย่างประชุมกันเป็นภาษาภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนานะแล้วก็ไล่ให้มันเป็นสังสารวัตว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกเป็นโรคเป็นฝีเป็นมารตัดเยื่อใยในสิ่งเหล่านี้นะถ้าทําแค่นี้ได้ก็ ก, ก็พอใจแล้วแต่ถ้าจะเรียนละเอียดก็เรียนแบบนี้เลยก็มีข้อสังเกตว่าถ้าจักขูวิญญาณอันนี้นะฮะถ้าเป็นฝ่ายกุศลวิบากนะฮะก็มาจากกรรมซึ่งเป็นกุศลกรรมเชิญพา แต่ก็ต้องมาจากอาวิชชาและตัณหาเป็นปัจจัยด้วยตรงนี้น่าสน่น า, นาสนใจัหมทำไมกุศลจึงมีอกุศลเป็นปัจจั ย, จจยข่าคำถามว่าทำไมกุศลจึงมีอกุศลเป็นปัจจัยที่เรามานั่งเรียนธรรมะเนี่ยนะเป็นกุศลเจตนาใช่ไหมขณะที่นั่งฟังเฉยๆเป็นมโนกรรมฟังแล้วพยักหน้ารับรู้ขยับตัวเป็นกายกรรมพูดโต้อตอบเป็นต้นเนี่ยแปลงวาจาเป็นวจีกรรมก็กรรมสาม บรรลุอริยสัจมาไหมก่อนหน้าที่จะมาฟังเห็นไหอยังยังนะอันนั้นแหละเรียกว่าอาวิชชาสีเสียงกลิ่นรสโภทภะเนี่ยชอบหมดไหมที่ผ่านมานะหรือตั้งง่ายๆว่าอาหารมื้อที่แล้วนี่อร่อยไหมเนีย่ยนะสลัดเมื่อกี้นี้อร่อยไหมอย่างเงี้ยก็อันนั้นแหละเป็นตันหาเนี่ยนะก็พวกทั้งอวิชชาทั้งตันหานั่นแหละเป็นปัจจัยก็ที่ชอบชอบเหล่านั้นนะ เป็นตัดใ จ, จให้มานั่งเรียนธรรมะอยู่นี่เนะคืออวิชชาเนี่ยที่บอกว่าไอ้ไม่รู้เนี่ยเราต้องนิยามว่าไม่รู้แปดอย่างเท่านั้นที่เรียกว่าอาวิชชาอาวิชชาเนี่ยมันมันฉลาดมากนะถ้าพูดแบบชาวโลกกันนะมันคือสิ่งที่ฉลาดมาก แต่ถ้ากล่าวในทางธรรมเรียกว่าอวิชชาเพราะมันไม่รู้แปดอย่างคือไม่รู้อริยสัจสีไม่รู้ขันธ์าตุอริยตนะที่เป็นอดีตไม่รู้ขันธ์าตุอริยตนะที่เป็นอนาคตทั้งอดีตอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทอันนมันไม่รู้อยู่เท่านั้นแหละที่เหลือมันรู้หมดอันนมันรู้โดยที่สุดมันรู้แม้กระทั่งเนวสัญญานาสัญญาอรยตนะไม่จําเป็นต้องพูดถึงธรรมมาค้าขายเรียนแบบชาวโลกนี่ไม่ต้องเขาฉลาดถึงชั้นโอ้สุดยอดนั่นแหะ ก็ไม่ไม่งูเลยนะถ้าพูดแบบระดับชาวบ้านเนี่ยแต่ถ้าพูดระดับพระพุทธเจ้าท่านพูดบอกว่านัานะ่นอ่ะคือความเข่าอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันนี่ถ้อยคํานี้เราต้องไม่ลืมว่าเรากําลังเรียนถ้อยคําของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะอ๋อก็เป็นสาวกกันนะอัะนนะัพอตรงนี้พอผ่านนะทะวารหกใ น, นยะเดียวกันซึ่ง ตรงนี้จำไม่ผิดเนี่ยแสดงไม่ต่ำกว่าสองร้อยรอบตั้งกับมาอยู่เชียงใหม่มถ้าใครไปคิดให้สักวันละหนึ่งรอบนี้ก็ถือว่าโอ้โหประสบความสำเร็จอย่างสูงมากแล้วส่วนอาเหตุตุกะกุศลวิบากมีมีอยู่แปดใช่ไหมแปดก็คืออะไรทวารห้า สัมปติช น, นะสันติรณะแต่ตัวเนี้ยตัวสันติระณะขยายเป็นสองเท่านั้นเองคือที่เป็นต่างโดยเวทนาโสมนัสกับอุเบกขาเนี่ยนะโสมนัสกับอุเบกขาต่างกันเท่านั้นเองต่างกันเพราะอะไรเนี่ยนะโดยอารมณ์ก่อนนะต้องเป็นอิทธารมอย่างเดียวเนี่ยนะเงื่อนไขของกุศลวิบากนะต้องเป็นอิทธารมแปลว่าต้องเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาเท่านั้น ทีนี้อารมณ์ที่น่าปรารถนาะที่จะก่อให้เกิดโสมนัตต้องเป็นอติอิทถารมเนี่ยนะแปลว่ามันน่าปรารถนาเป็นอย่างมากอาติอิทถารมเนี่ยถ้าพูดแบบสำนวนชาวโลกบอกว่าอารมณ์ที่มันก่อให้เกิดความตื่นตาและตื่นใจอะ่ะอารมณ์ชนิดนั้นแหละเป็นอติอิทธารมเช่นสีก็ต้องแบบสีแบบเรียกว่า ดูแล้วก็อยากจะดูอีกถ้าเป็นเสียงก็เสียงที่ว่าอยากฟังแล้วอยากฟังอีกนะจะคือดีๆทั้งหลายแหละที่ก่อให้เกิดความตื่นตาตื่นหูตื่นจมูกตื่นลิ้นอะไรทั้งหลายแหละอารมณ์ชนิดนั้นแหละโดยมากของเทวดานี่จะชัดแต่ของมนุษย์จะมีเป็นครั้งคราวแล้วก็อย่างหนึ่งเรียกว่าม um ัชตารมคือมัชตะอิทธารลมแปลว่าอารมณ์ที่น่าปรารถนาพอปานกลางเนี่ยนะพอปานกลาง สมมติถ้าเป็นถ้าเป็นอาหารนะแบ่งเป็นอัน น, นนะปานกลางแล้วก็ดีเยี่ยมแล้วก็เลวเช่นอาหารถ้วยเดียวกันเนี่ยนะตอนที่มันอุ่นๆยกใหม่ๆอะไรใหม่ๆเรียกว่าชั้นดีเยี่ยมใช่ไหมพอทิ้งไว้ให้เย็นหลายๆชั่วโมงเข้าไปนี่ถือว่า ปานกลางพอบูดแล้วก็ถือว่าเป็นของเลวเนี่ยนะก็ลักษณะนี้ถ้ายัางปานกลางนี่เรียกว่ามัชตารมนี่นะถ้าตอนแรกๆมาเลยก็เรียกว่าอติอิทฐารมพอพอเห็นตอนใหม่ๆเลยโดยมากก็โสมมันัชใช่ไหมพอทิ้งไว้จนเย็นจุดชืดมาเรื่อยนะแต่ว่าคือเขาก็ไม่ทิ้งกันะนะพอทานได้นี่ก็เป็นมัชตารมแต่ก็อย่างดีแล้วแต่บูดเมื่อไหร่ก็เป็นอณิถารลมแต่ขนาดนั้นบางคนก็ยังไม่ทิ้ง เน่านี่เนี่ยนี่ทางระลึกได้ก็ใช้ได้ใช่ไหยคะระลึกว่ายังไงเอ้าวใครไม่ระลึกอย่างนั้นบ้างเอ้าเออเนี่ยแกงนะนี่ระลึกว่าเป็นแกงใครไม่ระลึกไปอย่างงั้นเกอรก็คำว่าถ้าใช้คำว่าระลึกนะว่า ถ้าในฐานะอารมณ์นะถ้าพูดสิ่งนั้นเช่นคําว่าแกงในฐานะอารมณ์คืออารมมณปะปัจจัยและอารมณ์ตัวนี้เป็นอัพยากตะด้วยก็มาดูว่าจิตที่มารู้สิ่งนี้มันมีอยู่สองอย่างกุศลกับอกุศลที่มารับรู้แกงเนี่ยที่พูดถึงแกงพูดด้วยอกุศลก็8ปดสองสองเนี่ย ก็ตรวจดูนะ822มาวัดนะนะไม่ใช่หวยนะคือ8หมายถึงอากุศลมูลโลภะมูลจิต8โทสะมูลจิต2มูหะมูลจิต2มาเช็คดูว่ามันเข้าอันไหนแต่วิธีเช็คง่ายที่สุดว่าอากุศลคือทานศีลภาวนามาจับนะมันเข้ากับอะไรบ้าง